รัตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสี่ทัศกะเอกาทัศกะนิบาทว่าด้วยธรรมะที่มีสิบข้อและสิบเอ็ดข้อเป็นสุตตันตปิดกรัตรายปิดกเล่มที่ยี่สิบสี่นี้ชื่อว่าเป็นเล่มที่ห้าหรือเล่มสุดท้ายของอังคุตระนิกายคือหมวดแสดงธรรมะเป็นจำนวนโดยแสดงข้อธรรมะจำนวนสิบและสิบเอ็ดโดยลาดับดังต่อไปนี้ ทศกนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อประถมปัญนาฎหมวดห้าสิบที่หนึ่งวที่หนึ่งอานิสังสวร์ว่าด้วยผลดีตรัสแสดงอานิสงส์แห่งศีลที่เป็นกุศลแก่พระอานนท์ซึ่งเป็นการแสดงอานิสงส์ที่มีอานิสงส์ต่อต่อกันไปเป็นลูกโซ่สิบประการคือหนึ่งความไม่เดือดร้อน 2. ปราโมทความบันเทิงใจ 3. ปีติความปลื้มใจ 4. ปัสปสิความระงับ 5. ความสุข 6. สมาธิ 7. ยถาภูตยา น, นัทสนะความเห็นด้วยยานตามเป็นจริง 8. นิพิธาความเบื่อหน่าย 9. ว, วิราคะความคลายกำหนัด วิมุตติญาณทัศนะความเห็นด้วยญาณถึงความหลุดพ้นแล้วตรัสว่าธรรมะเหล่านี้ย่อมไหลไปย่อมทาธรรมะได้เต็มเพื่อบรรลุธรรมะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับภิกสุผู้มีศีลส่วนภิกสุผู้ทุศีลตรงกันข้ามพระสารีบุรกับพระอานนต์ต่างแสดงธรรมแก่ภิกสุทั้งหลาย ถึงโทษของความเป็นผู้ทุศีลและอานิสงค์ของความเป็นผู้มีศีลฝ่ายละสิบข้อพระสาริบุตรตอบพระอานนท์ถึงสมาธิที่ไม่มีความกาหนดหมายในสิ่งสิบอย่างว่าเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ก็ยังมีสัญญาอยู่คือในสมัยที่ท่านอยู่ในป่าอันทวันใกล้กรุงสาวัตถีได้เข้าสมาธิเช่นนั้น ไม่มีความกาหนดหมายว่าธาตุสีเป็นธาตุสีไม่มีความกาหนดหมายว่าอารูปสีเป็นอรูปสีไม่มีความกาหนดหมายในโลกนี้โลกหน้าว่าเป็นโลกนี้โลกหน้ารวมทั้งหมดเป็นสิบข้อแต่ก็ยังมีสัญญาคือความกาหนดหมายว่าความดับภพบเป็นนิพพานหรือภวะนิโรโทนิพพานัง คือสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอันหนึ่งย่อมดับไปตรัสว่าถ้าภิกษุขาดองค์คุณข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ก็ควรจะทําให้สมบูรณ์คือความเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสดับฟังมากเป็นธรรมะกรถึกคือผู้แสดงธรรมก้าวลงสู่บริษัทเป็นผู้กล้าหาญแสดงธรรมแก่บริษัท เป็นผู้ทรงวินัยเป็นผู้อยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ได้ชานสีตามต้องการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันถ้าประกอบด้วยธรรมะสิบอย่างนี้ก็เป็นผู้น่าเลื่อมใสทุกทางบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงแล้วได้ตรัสแสดงองคุณอื่นเป็นการยักย้ายใน วัคที่สองนาถการณาวรว่าด้วยธรรมะอันทมที่พึงตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเสพเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันประกอบด้วยองค์ห้าก็จะพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะโดยการไม่นานคือหนึ่งมีศรัทธาสองมีโรคน้อย 3. ไม่อ้อวดไม่มีมายา 4. ปรารบความเพียร 5. มีปัญญาเสนาสนะประกอบด้วยองค์หคือหนึ่งไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปสะดวกด้วยการไปมา 2. กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อย 3. ม, มีสัมผัสเกี่ยวกับยุงเหลือบลมแดด สัตว์เสือคลานน้อยสพอจะมีปัจจสี่เกิดแก่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้นไม่ยากนักหมีภิกษุที่ทรงความรู้อยู่พอจะไต่ถามให้ท่านแก้ความสงสัยให้ได้ตรัสว่าภิกษุละองห้าประกอบด้วยองห้าชื่อว่าเป็นอุดมบุรุษในพระธรรมวินัยนี้ คือละนิวรห้าประกอบด้วยธรรมขันห้ามีศีลเป็นต้นตรัสแสดงสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือผูกมัดสิบประการตรัสแสดงกิเลสเครื่องผูกมัดจิตห้าและต่อของจิตห้าตรัสว่าบรรดาสัตว์ทุกชนิดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดบรรดากุศลธรรม ความไม่ประมาทเป็นยอดตรัสว่าบุคคลสิบประเภทเป็นผู้ควรของคํานับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือพระพุทธเจ้าพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าพระอริยบุคคลเจดประเภทและโคตรภูคือผู้อยู่ในระหว่างพระอริยเจ้ากับปุถุชนตรัสแสดงนาถาการณธรรม คือธรรมะที่ทมที่พึ่ง1ิประการคือ 1. มีศีล 2. สดับตรับฟังมาก 3. คบเพื่อนที่ดี 4. ว่าง่ายรับคำสั่งสอนโดยเครารพ 5. ช่วยเหลือกิจของเพื่อนปรมจารี 6. กใครธรรมะ7ปรารบความเพียน 8. สันโดษ ด, ด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามได้เก้ามีสติสิบมีปัญญาตรัสแสดงนาถากรณธรรมสิบประการเช่นเดิมแต่อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าประกอบด้วยธรรมะสิบประการแล้วก็ทำให้ภิกษุที่เป็นเทระที่เป็นปูนกลางที่บวชใหม่ตั้งใจว่ากล่าวสั่งสอนหวังความเจริญได้ในกุศลธรรมไม่มีเสื่อม ตรัสแสดงอริยวาสะคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะิ0ประการคือ 1. ละองค์5คือละนิวรห 2. าประกอบด้วยองคหกคือวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6มีรูปเป็นต้นในเมื่อได้เห็นเป็นต้น 3. รักษาสิ่งเดียวคือประกอบด้วยจิตมีสติเป็นเครื่องรักษาส มีอปัสเสนสี่หมายถึงพนักพิงได้แก่พิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดทนพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบันเทาหามีการยึดถือความเจริญเฉพาะอันนำออกแล้วเช่นไม่ยึดถือว่าโลกเที่ยงเป็นต้นหมีการสแสวงหาอันสละแล้วด้วยดี เช่นละการสแสวงหาการเจ็ดมีความดำริอันไม่ขุนมัวแปดมีกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกอันสงบระ ง, งับหมายถึงเข้าฌานที่สี่เก้ามีจิตพ้นแล้วด้วยดีจากราคะโทสะโมหะสิบมีปัญญาอันพ้นแล้วด้วยดีคือรู้ว่าละกิเลสได้ วักที่ส ม, มหาวักว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสแสดงกำลังสิบประการของพระตถาคตตรัสกับพระอานนท์ว่าไม่มียานอย่างอื่นยิ่งไปกว่ายถาภูตยานคือยานรู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆตรัสแสดงธรรมะที่ควรละด้วยกายคือกายยทุจริตที่ควรละด้วยวาจาคือวาจีทุจริต ที่ควรละเพราะเห็นด้วยปัญญาคือความโลภความคิดประทุสร้ายความหลงความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่บุญคุณท่านการตีเสมอความจระณีและความริษยาพระมหาจุนทะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องภิกษุผู้กล่าวยา น, นวาทะหมายถึงกล่าวถึงความรู้แต่ถ้าถูกธรรมะก้าวอย่าง ฝ่ายไม่ดีเหล่านั้นครอบงำได้ก็พึงทราบว่าเธอไม่รู้จริงภิกษุผู้กล่าวภาวนาวาทะคือการกล่าวถึงการอบรมกายศีลจิตและปัญญาหรือกล่าววาทะทั้งสองอย่างข้างต้นแต่ถ้าถูกธรรมะฝ่ายไม่ดีก้าวอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วครอบงำก็พึงทราบได้ว่าเธอรู้ไม่จริงแต่ถ้าตรงกันข้าม คือไม่ถูกธรรมะฝ่ายไม่ดีก้าวยางเหล่านั้นครอบงำก็พึงทราบว่ารู้จริงตรัสแสดงกสินายตนะแดนกสินคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆที่ใช้ในการเพ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิรวมสิบประการได้แก่กะสินคือดินน้ำไฟลมสีเขียว สีเหลืองสีแดงสีขาวอากาศในวงเล็บช่องว่างและสุดท้ายวิญญาณคำว่าอากาศในที่นี้หมายถึงช่องว่างหรืออวกาศเปไม่ได้หมายความถึงแกส๊สอย่างที่เข้าใจกันในทางวิทยาศาสตร์เพราะแก๊สเหล่านั้นจัดเข้าในลมไปแล้วตามความหมายทางพระพุทธศาสนา พระมาหากจานะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาชื่อกาลีขยายความแห่งพระพุทธภาษิตรเรื่องการบรรลุประโยชน์ความสงบแห่งหัตถยโดยอธิบายเรื่องกสินสิบตรัสแสดงถึงคำถามคือปัญหาอุทเทศบทตั้งเวยากรคำตอบตั้งแต่หนึ่งข้อสองข้อไปจนถึงสิบข้อซึ่งนักบวชศาสนาอื่น ตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้มีแต่อึดอัดยิ่งขึ้นคือหนึ่งข้อได้แก่สัตว์ทั้งปวงเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารสองข้อคือน้ำและรูป3ข้อคือเวทนาสข้อคืออาหารสี่มีอาหารที่พึงกลืนกินเป็นคำคำอาหารคือผัสสะความถูกต้องอาหารคือเจตนาและอาหารคือวิญญาณ ห้าข้อคืออุปทานนขันขันหรือกองแห่งรูปนามที่คนยึดถือห้าประการหข้อคืออายตนะภายในหมีตาเป็นต้นเจดข้อคือวิญญาณทิฏฐิเจ ด, ดข้อคือโลกธรรม8 9ดเก้าข้อคือสัตตาวาดเก0สิบข้อคืออากุศลกรรมบดสิ ได้แก่กายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามนางภิกษุณีชาวเมืองกชังคละแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกชาวเมืองกชังคละในทํานองเดียวกับเรื่องปัญหาสิบข้อข้างต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสชมเชยตรัสว่าอาริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเบื่อนหนายคลายกำหนัดในสิ่งที่เลิศ จึงไม่ต้องกล่าวถึงในสิ่งที่เลวแล้วตรัสแสดงโลกพันโลกมีพระจันทร์พระอาทิตย์ถึงพันซึ่งเท้ามหาพรหมเป็นเลิศอริยาสาวกผู้ได้สดับก็ยังเบื่อนายคลายกำนัดในสิ่งที่เลิศนั้นหมายเหตุผู้อ่านจำนวนหลักพันที่พระองค์ทรงแสดงเช่นมีพระจันทร์พระอาทิตย์ถึงพันน่าจะเป็นสันวนที่หมายถึงว่ามากเท่านั้น ส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกจะมีสำนวนแบบนี้เยอะมากนะครับจะเป็นสำนวนที่กล่าวถึงจำนวนแบบคร่าวๆเหมือนที่เราเรียกในภาษาไทยว่าโจรห้าร้อยก็คงไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีโจรห้าร้อยคนนะครับแล้วได้ตรัสถึงธรรมะอื่นๆ อ, อันพ้องกับที่เคยตรัสมาแล้วเช่นกสิณายตนะสิบอภิภายตนะแปดเป็นต้นในที่สุด ได้ตรัสแสดงนิพพานในปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนาพระเจ้าปเปเสนที่โกศลกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคสิบข้อคือทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาค 1. ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก 2. ทรงมีศีล 3. ทรงเสพเสนาสนะอันสงัดสี่ ทรงสันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ 5. ทรงเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 6. ทรงมีถ้อยคำขัดเกลวกิเลส 7. ทรงได้ฌานสี่ตามปรารถนา 8. ทรงระลึกชาติได้ 9. ทรงมีทิพยะจากสุข10ิบ ทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันพระเจ้าระเสณที่โกศลทรงเห็นเหตุเหล่านี้จึงทรงแสดงความเคารพและตั้งความปรารถนาดีในพระผู้มีพระภาควักที่สี่อุปาลิวักว่าด้วยพระอุบาลี ตรัสแสดงอำนาจประโยชน์สิบประการในการที่ทรงบัญญัติสิกขาบทและเรื่องทางพระวินัยอื่นๆเช่นการชักเข้าหาอาบัติเดิมจนถึงสังฆเภทสังฆสามาคัคคีเป็นการตรัสชี้แจงแก่พระอุบาลีพร้อมกับที่มีอยู่แล้วในวินัยปิดกวรที่หอาอโกสวัตว่าด้วยการดา ตรัสเรื่องเหตุปัจจัยที่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทในสง์มีการแสดงสิ่งไม่ใช่ธรรมะว่าเป็นธรรมะเป็นต้นและตรัสว่าเหตุเหล่านี้เป็นมูลแห่งการวิวาทและตรัสเรื่องอื่นๆที่ปรากฏว่าย่อมาแล้วในวินัยปิดกตรัสแสดงโทษสิบประการในการเข้าสู่ภายในพระราชวัง คืออาจทำให้เป็นที่สงสัยเมื่อ ย, ยิ้มกับพระมะเหสีถูกสงสัยเกี่ยวกับของหายเกี่ยวกับความลับรั่วไหลเป็นต้นตรัสว่าผู้มีรายได้วันละหนึ่งกหาปณะนะถึงวันละพันกหาปณะนะเก็บทรัพย์ที่ได้มานั้นไว้มีอายุหนึ่งรอยปีก็อาจมีกองโคกะทรัพย์ใหญ่ได้แต่ที่จะสวยสุขโดยส่วนเดียว อันมีซับเป็นเหตุสักคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ยังไม่แน่เพราะการมเป็นของไม่เที่ยงส่วนสาวกของพระองค์ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรสิบปีเก้าปีหรือสิบเดือนเก้าเดือนถึงหนึ่งเดือนหรือสิบที่วาราตรีถึงหนึ่งที่วาราตรีก็จะพึงได้ประสบสุขโดยส่วนเดียวถึงร้อยปีแสนปี ล้านปีและได้เป็นสกัทาคามีพระอนาคามีหรือพระโสดาบันตรัสว่าโลภะโทสะโมหะอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใส่ใจโดยแยบคายทั้งหมดเป็นปัจจัยแห่งการกระทําบาปกรรมส่วนอะโลภะคือการไม่โลภเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งการกระทํากัลยาณกรรม ตรัสแสดงธรรมะสิบอย่างที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองคือ 1. เรามีเพศต่างจากขฤรืหัดแล้ว 2. ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. ยังมีกิริยาอาการที่ดีงามอย่างอื่นอีกที่ต้องทำ 4. เราติดตนเองโดยศีลได้หรือไม่หา ผู้รู้พิจารณาแล้วติเราโดยศีลได้หรือไม่หกเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเจ็ดเรามีกรรมเป็นของตัวจะเป็นผู้รับผลของกรรมดีชั่วที่ทำไว้แวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เก้า เรายินดีในเรือนว่างหรือไม่สิบเราได้บรรลุธรรมอันยิ่งของมนุษย์หรือไม่ตรัสว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองถึงธรรมะสิบอย่างที่ตั้งอยู่ในร่างกายคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะความสำรวมกาย ความสำรวมวาจาความสำรวมใจเครื่องปรุงพบที่ทำให้เกิดอีกตรัสแสดงสารานิยธรรมคือธรรมะอันทรรมให้ระลึกถึงกันสิบประการในธรรมนองเดียวกับนาถกรณธรรมมีศีลเป็นต้น